ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้ระพรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปันน ม, มือฟังไปด้วยน óm, ้อมสำเนียบไปด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พวกท่านได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายังก็เริ่มฟังไปด้วย ลองชุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกกรับรู้อยู่ลมหายใจออกก็มีความรู้สึกกรับรู้อยู่ในหลักธรรมท่านเรียกว่าอานาปานสติถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเขาเรียกสัมปชัญญะ การหายใจเข้าหายใจออกเราก็หายใจตั้งแต่เกิดแต่เราขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์การหายใจยาวเป็นอย่างนี้หายใจสั้นเป็นอย่างนี้หายใจธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราก็พยายามเริ่มไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนถ้าความรู้ตัวของเราต่อะเนื่องเชื่อมโยงเราก็จะได้รู้ลึกลงไปอีกว่าความปกติของใจเป็นลักษณะอย่างไร ใจที่เกิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรอาการนองความคิดหรือว่าอาการนองขันห่าผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจหรือว่าความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมไดอย่างไรถ้าเรารู้ทันใจก็จะคลายออกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเริ่มต้นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกว่าใจคลายออกจากความคิด หายขึ้นมาเหมือนกับหายของที่คว่ำใจก็ว่างกายก็เบาความรู้ตัวของเราก็จะรู้เห็นการเกิดการดับเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราส่วนรูปส่วนนามส่วนนามส่วนรูปเป็นกุศลหรือว่าอกุศลการทำความเพียรการสร้างอนิสง์สร้างธ บ, บรมบารมี และวันใจของเรามีความอ่อนน้อมใจของเรามีผมมีอาหารมีความเบ็ดตามมองโลกในทางที่ดีคิดดีใจของเราเกิดกุศลหรือว่าอกุศลใจของเราเกิดกิเลสมากน้อยกิเลสใหญ่กิเลสเนน้อยกิเลสและละเอียดลึกลงไปความรู้ตัวของเราถ้ารู้ได้ต่อเนื่องก็จะเป็นสติสัมปชัญญะ รู้จนรอบรู้ในความคิดในอารมณ์ในกองสังขารในวิญญาณในกายของเราเขาเรียกว่าวิปัสนาแล้วก็ขัดเก่ากิเลสใจเกิดกิเลสก็พยายามขัดพยายามเก่ากิเลสก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตัวโลภความโลภความโกรธความพเยอธยานอยากนิวรณธรรมมณฑินต่างๆความคิดใจเกิด การเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเราต้องมีความเพียรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเรารู้ความหมายของการเจริญสติเรารู้ความหมายของการเจริญสติที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้การควบคุมใจเป็นลักษณะอย่างนี้จนใจคลายออก ปล่อยวางใจให้เป็นธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างนี้การดับความเกิดการพูดง่ายแต่การลงมือจริงๆเราต้องพยายามอย่างยิ่งยวดความขยันหมั่นเพียรความรับผิด ช, ชอบสัจจะวิริยะความเพียรให้ถูกต้องถ้าใจคลายจากขันหานั่นแหละท่านถึงว่าถูก ถ้ายังไม่คลายมีแต่คิดเอาอ่านเอาศึกษาเอาด้วยปัญญาที่เกิดจากใจเกิดจากขันหามันก็อาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมใจยังหลงอยู่แม้แต่การเกิดการเกิดเขาเรียกว่าความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดก็เป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความเพียรเป็นอัตโนมัต รู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณารู้จักแก้ไขตัวเราตลอดเวลากายทําหน้าที่อย่างนี้ทวานทั้ง6กทำหน้าที่อย่างนี้วิญญาณทําหน้าที่อย่างนี้วิญญาณหาาญญาณรือว่าตัวใจที่ไม่มีกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ภาษาธรรมภาษาโลกสินสมมุติสินสังคมเป็นอย่างไรสินบิ ม, มุติเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาเอาห ล, ล, ล่อมรลุขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลา เรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วก็ไปทําความเพียรให้รู้ทุกเริยาบทมัพ่พั่มสอนใจของเราจเจริญสตินี่แหละไปพั่มสอนใจของตัวเราไม่ได้ใช่อะไรหรอกขยามสอนใจของเราอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนี้เป็นกุศลอกุศลอันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรดําเนินการทรงความบริสุทธิ์ของใจไว้เป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดใจที่คลายกิเลส ทุกคนก็มีกันหมดจะมีมากมีน้อยก็ค่อยขัดเกลากัดถึงวันละเวลาก็คงจะถึงจุดหมายถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางจริงๆสิ่งที่พวกเราทำนี่แหละจะเป็นข้าวพวกข้าหอ่อติดตามตัวเราไปแก้ไขจนถึงจุดหมายปลายทางกันเอาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันทั้งนิดหนึ่งก็ยังดีหนาะดีกว่าไม่ได้ทำพักกันไหวพราะพร้พอมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ทุกกลุ่ยบทด้วยตัวของเราเอง